ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์มีชีวิตเป็นอยู่แก้ไขปัญหาและทําการทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้ถึงเหตุปัจจัย mm. เมื่อรู้ความหมายของหลักธรรมคือภาวนาที่เป็นเนื้อตัวของการปฏิบัติทั้งสี่แล้วก็เข้าใจภาวิตะหรือภาวิทที่เป็นคุณสมบัติของท่านผู้จบการปฏิบัติผู้มีธรรมทั้งสี่ข้อนั้นแล้วดังนี้หนึ่ง